จงรวมลงเป็นสมาธิาธพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ทโธนี่ก็ให้ในกวยในใจนั่งขัดสมัดขาขวาทับขาซ้าย มือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุโทโธในใจกำหนดใจไว้ที่ใจให้ใจของเราเป็นหนึ่งเวลาหลับตาแล้วทุกอย่างก็ไม่มีอะไรมามีเอาตอนลืมตาเพราะฉะนั้น ใจของเราจึงเป็นส่วนสำคัญในร่างกายนี้ก็มีใจเป็นส่วนสำคัญเรากำหนดใจไว้ที่ใจได้อารมณ์ต่างๆมันก็จะค่อยหายไปเองเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้จิตฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนาน า, นา การคิดเหล่านั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรในขณะนี้ก็ไม่คิดสะดีกว่ากำหนดใจของเราเพื่อความสงบพระพุทธเจ้าสอนว่านัตสันติป ร, รังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีความสุขอื่นๆนอกจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่ เจือพนด้วยอามิตรเรียกว่าอามิตร ส, สุขเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวและเจือปนไปด้วยความทุกข์ส่วนความสงบนั้นเรียกว่านิรามิตร ส, สุขคือความสุขที่ไม่เจือปนด้วยความทุกข์เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการสงบนั้นคือการละ ความสุขที่เรียกว่าอามิ t h ส s u คือสุขทางโลกนั้นคือความสุขที่เป็นไปกับด้วยอารมณ์มีอารมณ์เป็นที่น่าพอใจเรียกว่าอิทธารมเท่านั้นที่ทำให้เกิดความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเหล่านั้นจึงเป็นความสุขที่เป็นไปกับด้วยอารมณ์ส่วนความสุขที่ เรียกว่านิรามิตรสุขคือความสุขที่ไม่เกิดผลในอามิตรนั้นหมายถึงความสุขที่ตัดอารมณ์ออกไปเมื่อตัดอารมณ์ออกไปได้มากเท่าไรความสุขก็มีมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงลําดับความสุขไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทุท ต, ติยฌานตติยฌานและจตุตยฌาน ความละเอียดของจิตนั้นย่อมมีแตกต่างกันในเมื่อจิตนั้นสงบลงไปเมื่อจิตสงบลงไปในขั้นต้นเป็นปฐมฌานนั้นก็ยังมีอารมณ์คือการนึกพุโทโธเรียกวิวตกวิจาร์นะ่ะคือการนึกพุโทโธพุธโทโธหรือว่านึกคำบริกรรมต่างๆในที่สุดจิตก็เกิดความเป็นเอกขตา คือมีอารมณ์เป็นอันเดียวเมื่อมีอารมณ์เป็นอันเดียวก็เกิดปิติคือความเ อ, อิบอิมและเกิดความสุขคือความสบายเมื่อจิตละเอียดลงไปแล้วพุทโธก็ไม่ต้องนึกหมายถึงว่าทุติยฌานทุติยฌานนั่นก็เหลือองค์สามคือปิติสุขเอกัตามีแต่ อารมณ์อันเดียวเท่านั้น mm hmm. เรียกว่าเอกภะตา mm hmm. เมื่อจิตนี้ขยับจากชั้นที่สองขึ้นมาหาชั้นที่สามเรียกว่าตติยฌาน mm hmm. ก็ตัดปิติออกไปเสีย mm hmm. เหลือแต่สุขกับเอกภะตา mm hmm. ทําไมจึงตัดปิติออกไปความเ อ, อิบอิ่มนั้น ความเอิบอิ่มนั้นในก็เหมือนกันกับสิ่งต่างๆที่เราเคยได้เมื่อเราได้ใหม่ๆก็มันก็เอิบอิ่มไปแต่พอนานเข้าไปแล้วมันก็เท่านั้นเองความเอิบอิ่มนี้ก็หายไปเป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับตติยฌานเมื่อถึงตติยฌานแล้วแสดงว่าจิตนั้นได้สงบมามากแล้วนับด้วยรอย คือหมายความว่าสงบม า, มากต่อมากจนกระทั่งเกิดความเป็นสิ่งธรรมดาไปจึงเหลือแต่ความสุขและเอกัคคตาทีนี้ถ้าหากว่าจิตนั้นขยับขึ้นไปอีกถึงพันที่สี่เรียกว่าจะตุทไชานความสุขก็ตัดไปอีกแล้วเหลือแต่อุเบกขากับเอกัคคตาทำไมจึงไม่มีความสุข ในเมื่อเราต้องการความสุขแต่ว่าความสุขนั้นก็มีอยู่แต่เป็นความสุขที่เรียกว่าได้มากจนมากเกินไปแล้วเหมือนกันกับเศรษฐีและมหาเศรษฐีมีเงินจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะนับเอาไปวางตรงไหนแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆที่ไม่ใช่เศรษฐีมันก็เป็นเรื่องใหญ่ แต่พอเป็นเศรษฐีแล้วเงินมากมายกายกองมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงเปรียบด้วยจจตุทะชานจจตุทะชานนั้นจะเหลือองสองก็คืออุเบกขาและเอกคตาคือความวางเฉยเมื่อมาถึงจจตุทะชานอย่างนี้ถือว่าเป็นอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธินั้นได้แก่สมาธิที่มีความชํานาญมากความชํานาญนั้นเคอชํานาญในการเข้าชํานาญในการออกชํานาญในการตั้งอยู่เมื่อเวลาที่จิตจะเข้าเป็นสมาธินั้นจิตนั้นจะต้องผ่านเข้าสู่ผวังขจิตผวังขจิตนั้นส่วนแห่งผวังนั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทำไมจึงว่าสำคัญผวังนั้นก็แปลว่าพบนั่นเองเพราะฉะนั้นจิตที่จะเข้าไปสู่จิตจริงๆจะต้องเข้าไปสู่ผวังขจิตเมื่อเข้าไปสู่ผวังขจิตก็ลบอารมณ์ต่างๆภายนอกหมดแล้วจิตจึงจะเข้าสู่ผวังได้เรียกว่าผวังขจิตได้ ข้อนี้เราจะสังเกตได้จากที่เราพากันนอนเมื่อนอนหลับถ้าเราไม่หลับก็จิตมันไม่เข้าผวังมันก็หลับไม่ได้ทําไมมันจึงไม่หลับก็เพราะมันนึกมันคิดปรุงแต่งสารพัดวาดวิมานบนอากาศไปกระทั่งหมดวันหมดคืนมันก็นอนไม่หลับถ้ามันจะหลับจิตมันก็ต้องเข้าผวังทันทีมันก็หายไปเลย อย่างนั้นเรียกว่าจิตเข้าผวังสมาธิก็เช่นเดียวกันการที่จะเป็นอุปจารสมาธิได้นั้นก็จะต้องผ่านพวังเหล่านี้ไปเยอะทีเดียวเมื่อผ่านพวังเข้าไปแล้วก็เกิดความชำนาญขึ้นความชำนาญ น, นั้นเป็นอย่างไรเรียกว่าความชำนาญ เมื่อเวลาที่จิตจะเข้าผวังนั้นก็เป็นสิ่งที่ง่ายมากสําหรับผู้ที่ชํานาญแล้วพอกําหนดจิตพับจิตมันก็เข้าผวังไปเลยแต่ในอุปจารสมาธินั้นการเข้าผวังก็จะไม่เคลิมหรือว่าไม่มีความคือการเข้าผวังนั้นมันก็เหมือนกับหายไปแล้วก็เคิ่มแล้วก็ลืมตัวไปอย่างนี้ แต่ผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้นเมื่อไปถึงขั้นนั้นคือเข้าไปสู่ระวังแล้ว เ, เขาจะไม่ลืมคือจะไม่หายไปแล้วก็ไม่ลืมรู้ตัวถ้าเราจะสังเกตจากการนอนหลับนั้นเรานอนหลับนั้นเราจะไปรู้เอาเมื่อเราตื่นเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดความชํานาญอันใดเป็นไป แต่เพียงตามธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องเข้าสู่พบวันละครั้งละครั้งอะไรอย่างนี้ก็จะต้องเข้าไปสู่พวังแล้วก็ไปรู้เอาเมื่อตื่นนั่นเป็นข้อสังเกตให้เห็นว่าเราไม่รู้อะไรเลยส่วนผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้น เวลาที่จิตเข้าสู่พวังนั้นก็เหมือนกับไม่ได้เข้าพวังก็มีความรู้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้นต้องการจะให้จิตอยู่ในพวังสักเท่าใดก็สามารถกระทำได้อยู่ในพวังนั้นเท่าใดก็สามารถกระทำได้และเมื่อต้องการจะออกเมื่อใดก็สามารถจะกระทำได้ มันผิดกันกับคนนอนหลับคนนอนหลับนั้นจะกำหนดเท่านั้นเท่านี้ก็ยากต้องนอนไปจนกระทั่งกว่ามันจะพอมันถึงจะตื่นขึ้นแล้วถึงจะรู้ตัวส่วนผู้ที่ได้อุปจารสมาธินั้นไม่ต้องไม่ต้องไปกะว่าไม่ต้องไปถึงเวลาถึงจะออกจากพวังเมื่อต้องการออกเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อต้องการอยู่เขา อ, อยู่ต่อไปอีกสักเท่าไหร่ก็ได้หรือเมื่อต้องการจะเข้าอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ในจตุทิชานนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีแต่อุเบกขากับเอกะขตาเท่านั้นในคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าในองค์มรรคพระพุทธเจ้าจะกําหนดให้เป็นสัมมาสมาธิ แค่จตุตติฌานนี้เท่านั้นถ้าเกินไปกว่านั้นก็ถือว่าไม่ได้การถ้าหากว่าต่ำไปกว่านั้นก็ถือว่าใช้ไม่ได้อีกใช้ได้อยู่เฉพาะตั้งแต่ปฐมฌานถึงจตุตติฌานใช้ได้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงแล้วก็มีความปราทนา ต้องการอยากจะได้ความสุขยิ่งขึ้นหรือเรียกว่าต้องการอยากได้ความละเอียดของจิตยิ่งขึ้นก็เลยไปทำให้เกิดฌานขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอารูปฌานอารูปฌานนั้นท่านกำหนดสมาธิไว้ด้วยอปปนาสมาธิอปปนาสมาธินั้นคู่กับอรูปฌานอารูปฌานนั้น เป็นฌานที่สามารถจะเข้าไปอยู่ได้เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดเจ็ดวันโดยไม่ต้องเคลื่อนไหวอันนี้เรียกว่ า, ารูปฌานรูปฌานนั้นกำหนดอากาศกำหนดความรู้กำหนดความไม่มีอะไรกำหนดความไม่มีสัญญาเหล่านี้ เรียกว่าเป็นอรูปฌานเมื่อเข้าไปสู่อรูปฌานแล้วฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินหรือว่าเสียงอะไรต่างๆก็ไม่ได้ยินโดยที่สุดจิต ก, ก็ยังไม่เจ็บเอาเข็มแทงก็ไม่รู้สึกอันนี้เรียกว่าเข้าลึกจิตที่เข้าสู่อรูปฌานนั้นแต่ในองค์มรรคที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสนั่นพระองค์ไม่ทรงนิยมให้สาวกดําเนินจิตเข้าไปสู่อรูปฌานแต่ว่าใครจะทําให้ถึงอรูปฌานพระองค์ก็ไม่ห้ามแต่ก็ไม่ได้ทรงสนับสนุนที่จะให้ผู้ดําเนินจิตเข้าสู่อรูปฌานในส่วนของอรูปฌานนั้นมีสี่เหมือนกันคืออากาสารานจา ย, ยัตนาฌาน กำหนดอากาศวิญญาณัญจายตนะฌานกำหนดความรู้อากิจัญญายตนะฌานกำหนดความไม่มีอะไรเนวสัญญาณาสัญญายตนะฌานกำหนดว่าไม่มีสัญญาอย่างนี้เรียกว่าอารูปฌานสี่อรูปรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ทั้งสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าสมาบัติแปด สมาบัติแปดนั่นผู้ที่เข้าฌานสมาบัติจะอยู่ได้ตลอดเจ็ดวันโดยไม่ต้องรับประทานอาหารเลยไม่ต้องทานข้าวทานน้ำก็อยู่ได้ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนเรีย ก, กว่าเข้าฌานสมาบัติในการที่เรากระทากันนี้เรามีความประสงค์ที่จะดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จึงไม่ต้องการที่จะให้จิตละเอียดเข้าไปสู่อรูปฌานจึงกำหนดเอาแค่อุปจระสมาธิคือทําจิตนี้ให้เข้าสู่ะวังสามารถที่จะกำหนดจิตภายในะวังนั้นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงแบ่งะวังออกเป็นสามาวังคือะวังคะบาดะวังคะจารณะะวังคุปเฉทะ รวังคบาทนั้นเป็นเรื่องของกนิกะสมาธิเรียกว่าเป็นรวังไปเหมือนกันกับธรรมชาติที่มันเป็นถ้าเป็นระวังคจรณะก็จะเป็นรวังที่เป็นอุปจารสมาธิสามารถที่จะดำเนินสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ภายในรวังนั้นถ้าเป็นระวังคุปเฉทะนั้น มันเป็นเรื่องของการตัดขาดไปแล้วเป็นเรื่องของพระอระหันต์ไม่ต้องมีระวังอีกต่อไปจิตที่พ้นไปจากอาสวะกิเลสทั้งปวงหรือได้สําเร็จเป็นอาสวะขยายานเป็นผู้ที่เป็นพระอระหันต์นั้นระวังไม่มีแล้วไม่มีการเข้าระวังเลยถึงจะนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็ไม่เข้าระวัง ถึงจะไปไหนก็ไม่มีผวังเพราะว่าคำว่าะวังแปลว่าพบผู้ที่เป็นพระรหันนั้นท่านพ้นไปจากพบแล้วจึงเรียกว่าะวังผู้ประเฉทะตัดขาดแล้วสึ่งผวังเมื่อกล่าวเช่นนี้เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าการที่พระราหันไม่มีผวังนั้นคือการที่พระราหันจะต้องเป็นผู้ที่ ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเพราะการที่จะเกิดแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วก็เกิดนั้นต้องอาศัยผวังเป็นหลักตัวผวังนี้เรียกว่าเป็นตัวผู้ที่ทำให้จิตได้ก่อพบชาติขึ้ น, น, นจึงเรียกว่าผวังเพราะฉะนั้นคนจะตายก็จะต้องเข้าผวังเสีก่อนจึงจะตายได้คนจะเกิดก็เหมือนกัน ก่อนที่จะเกิดก็จิตมันก็เข้าพวังก่อนถ้าไม่เข้าพวังก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่เข้าพวังก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่ทำจิตของตนนั้นให้พ้นจากพวังจึงจึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องมาเกิดตายอีกต่อไป แต่ว่าในขณะที่เรายังไม่ได้ถึงสึ่งความเป็นพระอาหารหันต์นั้นเราก็ต้องการอยากจะทำจิตของเราให้ก้าวหน้าความก้าวหน้าของจิตนั้นคือความชำนาญความชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการตั้งอยู่ของระวังจึงเรีย ก, กว่าเป็นความชำนาญถ้าหากว่าเกิดความชำนาญอันนี้ขึ้นมาแล้ว คนนั้นสามารถจะดำเนินวิปั ส, สนาได้เพราะว่าวิปั ส, สนานั้นจะต้องมีการเห็นจริงวิปั ส, สนาแปลว่าความรู้แจ้งและเห็นจริงคำที่ว่าเห็นจริงนั้นก็เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นด้วยความสมมตุติอย่างที่เราพากันนึกถึงร่างกายนี่เราสมมุติกันขึ้นเราเขียนภาพเป็นโครงกระดูก แล้วเราก็เอาสัญญานี่ไปกำหนดว่าคนตายเราเคยไปเผาศพเขามันเป็นอย่างนั้นเราก็เอาสัญญาเหล่านั้นมานึกมาคิดอย่างนี้ไม่ใช่ของจริงคือสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสัญญาเรียกว่าสิ่งที่คิดขึ้นและปรุงขึ้นเหมือนอย่างเราคิดถึงโครงกระดูกเราไปเห็นกระดูกคนตายไปแล้วเนื้อหนังหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเรยียกจะโครงกระดูกอย่างนั้นเราก็ไปจับเอามาแล้วก็เอามานึกว่าเป็นโครงกระดูกอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาหรือเรียกว่าความปรุงแต่งแต่ส่วนวิปัสสนานั้นคือความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาชนิดนั้นจะต้องเกิดขึ้นในภวังคจิตเวลาที่จิตเข้าสู่ภวังเมื่อจิตมีกําลังแก่กล้า นำเอามาคิดคือร่างกายนี้นำเอามาคิดเอามาพิจารณาเมื่อเอามาคิดมาพิจารณาแล้วมันเกิดความจริงที่ว่าอันนี้มันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเท่านั้นนี่เพราะความ เ, าเพราะว่าจิตนั่นได้เข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นจริงเมื่อจิตเข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นจริงก็กลายเป็นสัจจะคือเป็นสัจธรรม เรียกว่าทำรรของจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นการที่มองเห็นร่างกายสังขาร น, นั้นก็เท่ากับว่าได้เห็นลงไปในธาตุหรือเรียกว่าธาตุดินน้ำไฟลมอย่างจริงจังเมื่อหวนมาพิจารณาถึงว่าเรามัวแต่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนตอยู่อย่างนี้เองเราถึงได้หลงสมมติมาเป็นนานก็รู้สึกสลดใจ เกิดความสังเวชสลดใจหรือเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมาในจิตใจของตอนนั่นนั่นแหละคือวิปัสนาญาณวิปัสสนานั้นเราต้องต่อยานไปอีกข้างหลังถ้าเราไม่ต่อยานก็เรียกวิวปัสนาเฉยเฉยแต่ถ้าว่าให้ครบก็เรียกว่าวิปัสนาญาณนิปัสนาเฉยเฉยนั่น ก็เหมือนกับอุคหานิมิตเรายกร่างกายขึ้นมาแล้วพิจารณาในภวังขจิตนั้นมองเห็นพอมองเห็นก็เห็นเป็นกระดูกจริงแต่ว่าจิตมันไม่เกิดนิปิทยานคือไม่เกิดยานขึ้นเพราะฉะนั้นการเห็นเช่นนั้นจึงเรียกว่าเป็นเพียงวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงอย่างเพียงแค่นั้นแต่การรู้แจ้งเห็นจริงนั้น จะต้องเห็นจริงลงไปหลายครั้งมากหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหรือหลายสิบครั้งกว่าแต่ที่จะเกิดยานนี้ขึ้นมายานที่จะเกิดขึ้นมาได้นั้นเป็นการที่จะต้องถึงซึ่งความอิ่มตัวหรือเรียกว่าความพอเพียงแห่งความต้องการจุดอิ่มตัวหรือเรียกว่าจุดความพอเพียงแห่งความต้องการนั้น มันต้องทำเหตุมาให้พอคือให้พอสมเหตุมันจึงจะเป็นผลเหมือนกันกับเรารับประทานอาหารนี่เป็นเหตุความอิ่มเป็นผลความอิ่มนั่นแหละคือยานถ้าเปรียบถ้าเปรียบวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณแต่แต่ก่อนแต่ที่จะอิ่มนั้นเราต้องเปิบคำข้าวไปกี่คำแล้วเราจะนับเมล็ดข้าวนั้น กี่เมล็ด ก, กว่าแต่ที่จะพอเพียงแห่งความต้องการขอคือเกิดความอิ่มฉันใดก็ดีการพิจารณาสังขารร่างกายในในผวังพระจาระณะหรือเรียวกว่าอุปจละสมาธิหรือว่าในขณะที่จิตของเราเข้าอยู่ในผวังแห่งจตุทะฌานนั้นเราก็จะต้องมีพลังจิตเป็นอันมาก แล้วก็มองพิจารณาจนกระทั่งครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นครั้งที่สองเกิดขึ้นครั้งที่สี่ที่ห้าที่สิบยี่สิบที่ร้อยอะไรก็เกิดขึ้น mm. เมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดนิพพายานคือความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาทันทีตรงนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสนาญาณ ทีนี้ในวิปัสนาญาณที่เกิดขึ้นเช่นนี้มันก็ตรงเป็นข้อความอันเดียวกันกับอริยสัจอริยะแปลว่าไกลาจากกิเลสสัจจะแปลว่าความจริงความจริงของท่านผู้ไกลาจากกิเลสเรียกว่าอริยสัจก็มาตรงกับวิปัสนาญาณที่ทําให้เกิดนิพิทัยญาณความเบื่อนหน่ายขึ้นอันนี้ก็ตรงกันกับอริยสัจ เรียกว่าข้อความอันเดียวกันพระะนนในเรื่องของการที่จะดำเนินจิตเข้าเข้าถึงแห่งการที่จะถึงผวังคุปเฉทะหรือเรียกว่าตัดขาดกระแสของผวังนั้นเราก็ต้องเข้าสู่ผวางังเพราะเหมือนกันกับเราจะรบค่าศึกให้พ่ายแพ้อย่างนี้เราจะไปหนีค่าศึกนั้นเราจะถือว่าเราชนะไม่ได้ เราจะรบกับค่าศึกนั่นเราจะหาพยายามหาวิธีการหลีกเลี่ยงโดยการไม่ต้องรบออกไปหนีไปทางอื่นเราจะถือว่าเราชนะไม่ได้เราจะถือว่าเราชนะได้ก็ต่อเมื่อเรายกกองทัพของเราเข้าห้ำหั่นค่าศึกค่าศึกมันอยู่ที่ตรงไหนก็ตามเรียกว่าตามทำลายให้สิ้นเมื่อทำลายให้สิ้นได้ ก็ถือว่าเราชนะเช่นเดียวกันกับที่ว่าเราจะแก้พะวังให้เป็นพะวังคู่ปเฉทะเราจะแก้พะวังเราก็ต้องดำเนินจิตของเรานี้เข้าสู่พะวังมิฉะนั้นแล้วเราจะไปแก้พะวังได้อย่างไรก็แก้ไม่ได้แต่ว่าการที่เราจะเข้าสู่พะวังแล้วเราก็ทำการสู้รบกันในนั้น มันก็จำเป็นจะต้องใช้การและเวลาอุปสรรคในการที่จะทำให้เรารบค่าสึกคือกิเลสนี้ไม่ค่อยไหวก็คือสิ่งต่างๆที่เรียวกว่าอุปกิกเลต์อุปกิกเลต์ที่เข้ามาสู่จิตของเรานั้นเมื่อเรายังไม่ทันดำเนินวิปัสสนาอุปกิเลสมันก็ไม่ค่อยสูงนักเหมือนกันกับ แต่เรายังทำสมาธิธรรมดาธรรมดานี่กิเลสมันก็ยังธรรมดาถ้าเราดำเนินจิตเข้าไปจนถึงวิปัสนาเรียกว่าทมชั้นสูงกิเลสมันก็กลายเป็นอุปกิเลสชั้นสูงที่จะต่อสู้กับเราเช่นเดียวกันกันกบที่การที่ประเทศหนึ่งจะเข้ายึดอีกประเทศหนึ่งนั้นก็จำเป็นต้องมีกองทัพทัดเทียมกัน หรื อ, อยิ่งกว่าแล้วก็ยกกําลังเข้าโจมตีจากเมืองชายแดนจนกระทั่งถึงเมืองหลวงเรียกว่ายึดเมืองหลวงได้ก็ได้รับชัยชนะแต่การที่จะเข้าตีประเทศต่างๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคเราก็ตายเขาก็ตายต่างคนต่างตายใครจะตายมากตายน้อยกว่ากัน เมื่อในขณะที่จิตของเรา เ, าเข้าสู่กดําเนินจิตเข้าสู่ผวังข้าจิตในขณะที่ทําสงครามนั้นกิเลสมันก็สูงขึ้นมันมาสมมุติตัวเราก่อนก่อนแต่ที่จะสําเร็จเหมือน ก, นกันกับยกกองทัพไปตีชายแดนเสร็จแล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเรียวกว่าเป็นผู้ที่ชนะ ในที่สุดก็ไม่ได้รับชัยชนะเพราะกองทัพของข้าศึกจะมีอีกมากมายนักฉันใดก็ดีจิตที่เข้าสู่ะวังนั้นพิจารณาเห็นเป็นวิปัสสนาเห็นความเบื่อหน่ายเกิดขึ้น เ, เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีกิเลสจำนวนหนึ่งมันก็มายกย่องว่าเราได้สำเร็จอาจารย์ผู้เขาเบาปัญญาทั้งหลาย ไม่เข้าใจข้อเท็จจริงข้อนี้ก็เลยอเเอยอมตามไปกับลุกสิอ๋อสำเร็จแล้วแกสำเร็จแล้วฉันจะตั้งให้แกในที่สุดต่างคนก็ต่างปรารชัยไปด้วยกันหมายความว่าไม่ได้รับ ช, ยชัยชนะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงวิปัสสนูปกิเลสไว้เพื่อที่จะให้ เราทั้งหลายเข้าใจข้อเท็จจริงที่ว่าอุปกิเลส ท, ที่มันคอยมาล้างแผนเหล่านั้นมันมีอยู่จำนวนเท่าไหร่พระพุทธองค์ทรงตรัสวิปัสสนุปกิเลสไว้ถึงสิบอย่างด้วยกันสิบอย่างนี้แหละที่เรียกว่าเป็นตัวการที่จะคอยเข้ามาล้างแานในเวลาที่เราดำเนินวิปัสสนาโดยกลายเรียกว่าเป็นวิปัสสนุปกิเลส นับไปตั้งแต่ความสว่างไม่มีประมาณความละเอียดไม่มีประมาณจนกระทั่งถึงนิกนติเรียกว่าลึกซึ่งไม่มีประมาณมันก็ทำให้เกิดความเป็นสารพัดที่มันจะเกิดนั้นดีจริงๆเรียกว่าวิเศษจริงๆแต่ในวิเศษเหล่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปยึดเอาต้องถ่ายถอนออกอันนี้ ทีนี้เมื่อเรามาพูดกันถึงเรื่องอการที่ดำเนินจิตเข้าสู่ระวังพระจารณะหรือเรียกว่าอุปจารสมาธินี่จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอาศัยความชํานาญเป็นหลักความชํานาญเป็นหลักเขาเรียวกว่าวสีในพระบาลีท่านเรียกความชํานาญนี้แปลว่าวสีว่าวสีซึ่งแปลว่าความชํานาญ เพราะฉะนั้นความชํานาญอันนี้จึงต้องใช้การและใช้เวลาเพราะฉะนั้นความชํานาญอันนี้จึงต้องใช้การและใช้เวลาผู้คนทั้งหลายที่พากันฝึกฝนและปฏิบัติกันนั้นพากันใจร้อนคนนั้นอยากได้อย่างนั้นคนนี้อยากได้อย่างนี้คนนั้นอยากถามอย่างนั้นคนนั้นอยากถามอย่างนี้สารพัดบอกว่าอยากจะถึงเร็วๆซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะทำเช่นนั้นเพราะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงตรัส บ, บอกแก่นักปฏิบัติทั้งหลายแล้วว่าโลภะธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายของสมาธิและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายในการที่พวกเราพากันมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมะนั้น ย่อมเป็นของดีแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องใช้การเวลาจะทำใจร้อนจนเกินไปตั้งใจที่เราจะปฏิบัติไปตามลำดับเรียกว่าทำกันไปตามขั้นตอนหรือเรียกว่าทำกันไปตามภาวะความเป็นจริงถ้าเราทำไปตามภาวะความเป็นจริงนั่นไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง ก็จะต้องไปพบสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานจนได้แต่อย่างไรก็ตามเราท่านทั้งหลายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้เราต้องต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างสมาธินี้จะช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีการต่อสู้สิ่งต่างๆอันที่มันจะเข้ามาปะทะ ในชีวิตของเรานั้นได้เป็นอย่างดีถ้าเรามีสมาธิแล้วนี่สามารถที่จะควบคุมสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายเกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นบาปหรือเรียกว่าเป็นความชั่วบาปความชั่วและบาปเหล่านั้นมันไม่ใช่ว่า เมื่อทำลงไปแล้วหาวิธีการล้างได้ล้างไม่ได้มันจะต้องฝังสนิทติดอยูใ่ในตัวของเราตลอดไปเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีจิตได้พาการฝึกฝนไว้ให้ดีเราก็จะมีการควบคุมจิตใจของเราสามารถที่เราจะสร้างบุญได้คือสร้างความดี ในการสร้างความดีของเรานั้นความดีเหล่านี้ก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของเรานั้นประสบกบความสำเร็จสิ่งที่เราต้องการได้เมื่อเรายังไม่ทันถึงพระนิพพานท่านจึงเรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อ